มันเป็นยังไงไม่อยู่รลอกปีมันน่าจะเสริมไปทำไมกดลงกดลงคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่มันทำให้เราคิดเรื่อยเรื่อไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้ในะเรื่อง ก่อนนั่นสร้างนี่นี่เคยพูดเสมอทําไมจึงพูดด้วยความเห็นภยัยทําไมจึงไปเห็นขุนนี่นี่ยมันขัดกันอยู่ขัดกันอยู่อย่างเนี้ยเอ๊ะเจ้ากลน่นะวะแบบจะแบบมีอยู่ให้เห็นอยู่ตัมตาอยู่นี่นะฟังดิไม่ใช่เอาปลอมๆมาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆ อ, อ่านกันแบบปลอมๆ อ, อ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่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 เรื่องคิดตภาวนาแล้สอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนทั้งบรนปริพิพบันไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวขาธรรมคือตรับไว้ชอบชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อจัดไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพินิจพิจนารณาอันนี้ที่ทำให้ผมอุกภาษาภาษาอสามเรียกอกจะตาย ม, มันคับหัวอก ภาษาเรงนี้เขาเรียกอุกมันคาหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดนิเล ข, ของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกาจัดทั้งนั้นถ้าไม่คิดฐ า, านที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรก ออกทรงประนวดจนกระทั่งบรรลุนิพพานเป็นสถานที่เช่นไรน่ะเขียนไว้แล้วออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสตาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายโดยยึดเป็นกติตัวอย่างทั้งพุทธทางสนางกฉามนในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องคศาสดาท่านแสดงออกมา ถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรา ม, มันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสําคัญอะไรหรือทาไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตาลาว่าไงให้ไปเจียวหาอยู่หอว่าประสานราชมนณียนที่ดูดูล้านหลานอย่างโลกอีกเขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เข็ดหลันหล บ, บนั่นเหรือระเบียดนั่นหรือแล้วเราไทำไมเราไม่เข็ด ในเรื่องทุกข์ล้วก็ให้ทําแบบโลกเขาเลยเด็กถ้าเราเขยดเรื่องทุกข์ก็ให้ทําแบบศาสดาศา ส, สดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระไทยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจบงังแดดตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความรูหลาเหมือนโลกทั้งหลายนะ่ะเราหาดูที่ในตำลามีไหม มีแต่ในป่าในเขาในถ้าเงื้อมผาเนี่ยฟังสิอุดยาขาดแทนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นมาตรถานที่ฉะนั้นนั่นแหละที่ตัดสดาดูเป็ น, ปนยังไทงทัางเพียรที่รมท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงผู้จะถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสศด มันเป็นทุกข์แลมแ้มาหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดําเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมะพระเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรมธรมะกับกิเลสน่ะประทับอยู่ในที่เช่นลายของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเห็ุจากหลบับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจ ที่ออกมาจากที่เหลีือมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่รู้จากเหตุจากหลักมันเดินมันม่รู้จากเหตุจากหลักมันมันเดินสายไหนน่ะให้รู้เราอย่างเนี้ยนี่นี่แหละมันเดินาสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะไม่รู้จากเขตุจากหลักไม่รู้จักเป็นจากตายอย่างนี้เลยดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทําพรีเจ้ามันขัดกันอยู่ตลอดเวลากับพวกเราเดีนันเดี๋ยนี้ ยูมก็เลยกลายไปดนเรื่อรูลๆลาไปซะหมดเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนีนี่ที่ภาพที่อาศัยที่หลับที่นอนหมอนมุง้งมีแต่รู้ๆล้าไปสะหมดนะมินทบาตก็ดูเอามันเลือเปลือยินจนล้นปาก จานั้นพอบ่ายๆน้ําอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกีห่หนกินมันจะตายจน ม, นมีสถานนียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละกิเล่มันมันเดินสายนั่นอ่ะดูเอาใครเป็นผู้ดําเนินอย่างนี้จะเป็นใครถรามาชาติพวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปัิ ญ, ญาตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลส น, นี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้ จะเป็นใครที่ไหนไปะบินธบาติบินธบาติเครื่องอยู่เครื่องบินนั่งแล้พวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินบาติบินะก็แปลวปล่าแปลว่าก้อนข้าวปาตาก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นมบินดาบาดมันเป็นบาดชนิดหนึ่งถ้าถ้าเป็นบาดนั้นปใน ตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันไม่การันไม่สําคัญปาตะเนี่ยแปลว่าใบใช่ไหออกขยายไปก็เป็นาบาตเนี่ยบินถ้าบาอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตะอันนี้แปลว่าตกไปอะไรอละอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งพอมชีวิตเดินไปเพื่อได้ประกอบความภาคเปลี่ยนอย่างสมใจคุณยังไง ออีวานเครื่องใช้แม่สอยแล้วก็โอนกระยาขาดขาดแคลนในขัง้งกุตกาลเป็นอย่างนั้นพรแเจ้าสีพระพุทธเจ้าผ่าดําเนินดําเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองศาสดาพ่าดําเนินไอ้พวกเทวทตัตมันดาเนินยังไงดูเอาดูเทวทตัตดูตัวของเรานี่ยมันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาดูขณะจิตที่มันคิดออกมาไม่ใช่เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหะเทวทตัต ดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่ออกรรมฐานกรรมฐานความจริงต่อตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเฝยวแรมไม่มีใครสนใจเช่นวัตถิษฐาโลมานะคาสตาะตะโจงแล้วก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปสําคัญมั่นหมาย ไ, ไปทางเสวยต่างงามเพื่อสั่งสมที่เด็กไปไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาที่ มันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อเลยทิคือไม่สนใจปฏิบัตินี่ละ่ะงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอาหารหันต์ท่างหลายพูเดเลิ่อเลอให้โลกได้ ก, กราบบ่ายบูชามาคืองานประเทศนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิ่อเลอขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวนี้ ป, ปล่อยปลาและเดือยไปหมดแล้วมาไงแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกัน เห็นอะไรปั้มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนออกก่อนแล้ตาดีทั้งหูก็ดีฟังแล้วฟังภายในเพราะพลิ้งไปเพื่อเบอิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยงไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติ เนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเจาสาเจสาโนมาลฐานตาแต่จูมีแต่ชื่อของกรรมาฐานเฉยๆแล้วมันได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตากเหมือนกันดูแล้วให้เป็นอักเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสั ง, ง, สงหารคนวเองเป็นลําดับลําดารอบด้านในสิ่งสมบัติสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจ นี่เป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทํางานของมันรอบตัวนี้ไม่แต่สิ่งสังหารตัวอย่างทางนั้นถ้ามันมีทำเข้าไปเป็นเครื่องกีบวังกันแล้วไม่สงสัยวางนั่นเลยแล้วจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินผู้ธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเต็งขนาดไห น, นกับเหมือนกิเลสมันอวดตัวมานนั่นแหละ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 เป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะมันจะไปทางกิเลสทันทีทันทีทนททีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลแสแซงกันนั้นที่นี่มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหน ทางใดทางใดอกับกิริยาใดเนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะแล้วพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงเราเคยเป็นมาอย่างไงทําอย่างไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่อ ง, งยนืนยันว่าธรรมะนั้นสดสดร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มัน ส, สดสร้อ น, อ, นอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟัาดจันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสข้างบูติการทําไมบรรลหล อยู่ในหัวใจของคนเรามันกันนับแต่พระเจ้าลงมาถึงภาษาโกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ่งกิเลสกันเหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบรรลายได้ท่านเอามาใช่อย่างไรแล้วเราทาไมามันมันยิ่งพ่อพปูนไปพ่อปูนไปนี่ยให้พี่นาเอาสิเรื่องมันท่วรร้อนเหมือนกันนี่ ทำก็สูญร้อนถ้านําเอามาใช้นํามาใช้ก็สูญร้อนแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องใส่เช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่พูดติดอย่างด้านปริยัติเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไง ไม่มีแม้แม่มถินแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี่ว่าเราได้ประมาทปริญัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดนะปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริญัติเป็นอาจารย์นี่ว่างไงการปฏิบัติงานดําเนินงานไม่ดําเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังจะดําเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเดือนไม่มีแบบแปลแผ่นผังทําทําได้เหรือพิจารณานั่นแหละปริยัติอ่ะไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่น เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะอือเอสานุมาณขาอันตาตจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นนะอือเอ็งเอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงนิจังตุขังอันตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่นี่เป็นภาคปฏิบัติเอาออกจากปริยัติ ที่ขายาไปที่ขายาไปมันทงท่านอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้เคยเห็นแล้วก็รู้ขึ้นมาดังที่พูดนี่ที่ว่าไอท่านอาารสอนว่าภาวะภาวนามายปัญญานั่ น, น, นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามายปัญญาเอาเอาเราจะไปฆ่าได้เถอะเอาฆ่าจนกระทั่งบรรลัยก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นละเรื่องภาวนามายปัญญา มันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยตปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำนาว์จนถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาปีมหาปัญญาสังหารปนปีไปหมดขึ้นชั่ววิเลทีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโทออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลส พระุทธเจ้าก็ดีภาษาบอก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันในจริงแล้วภาวนามย์ปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสนะแต่ถ้าดาเนินไปมันมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าสัเท่าไรเรียนจนปากฉี่ก็ได้แต่ชื่อเฉยๆไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามย์ปัญญาแล้วไม่ต้องไม่ต้องถามใครก็รู้เอง ผู้ที่เจ้าก็ดีสาบวบก็ดีท่านมีเศษด้วยปัญญาประเภทนี้แต่ทีนี้มมีเท่านั้นเลยวท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกอสุดตามัปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากเกิดก า, ก า, การได้ยินได้ฟังก็ให้ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่น กญญินตามมัญญะปัญญาความพิจารณาไข่กลวนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไย่าอยู่เฉยให้เพิ่งหัดสติปัญญาในทางด้านกินตามมัญญะปัญญาแล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามัญญปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั้นแน่ๆเนี่ยพอลงไปขั้นภาวนามัญญปัญญานี้แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอนหนาว่างั้นเลยนะฟังที่ว่าให้มันหนาเถอนหนาฟังสิ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 ออกมาจากสวกคารธรรมต ร, รัสไว้ชอบแล้วอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นก้าวเดินตน่ํานี้พอก้าวเดินต่ํานี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหับตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะและจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี่เป็นที่ชุมนมุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนมุมอันใหญ่หลวงวัตจักร วัตถจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเค ย, เคยตายมากี่กับกี่กันนับให้ท้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเว ล, ลาเลยพังกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นฟังดิถ้าลงเป็นภาคปฏิบตัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึว่าภาคความจําภาพความจริงทีงได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจํ า, คคาจเอามาเป็นพื้นคือปริยัตนิน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนเมา อมปากไว้เฉยมาอวดลมอวดแรงงานเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเทน่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาลิ้นอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเพื่อดำเนินนั้นถูกต้องร้อยประเสริฐร้อปเสสมกับสัวดคาราธรรมแท้แต่ไปชอบแล้วก้าว เ, เตะก้าวต า, ตามนี้เถอะะนั่น <c oughs> พอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาที่นี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าน่ะเอวัดตจิตพระตาจักมันจะหนาเนี่ยเท่าไรภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้น <c oughs> ที่ชุมนุกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเหล่านี้มันไม่ใช่หรอกมันนักเป็นของมันนั่นแหละหมุนของมันเองตามเหตุตามผลที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรๆก็ตามแบบมันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอีกล่ะนั่นก็ไม่มีใครรู้ยู้แบบกวูเจ้าแบบนี้จึงเป็นแบบที่เอกที่สุดเลย มันไม่มีที่ค้านเลยแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังหารวิเยที่เป็นข่าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมาม า, มากๆในภพชาตินั้นๆมันไม่มีแบบไหนเหมือนแบบของพุทธเจ้านะศา ส, สนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศา ส, สนาก็ตาม ถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจแล้วศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องอันนี้ก็รู้เองเพนานราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงไม่จําเป็นว่าพระพุทธท่านนี้ผ่านไปนานไม่นานเท่าไหร่ชัดจะทําเป็นการเป็นเวลาที่ไหน ดูตัวของเหล่านี้วางนั่นเลยเปิดขึ้นมาที่นี่ซึงมากจริงอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับเปิดประพุธให้เห็นความจริงของพระเจ้าทั้งหลายและภาษาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ตระหนนเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้ดูเห็นอย่างเดียวกันหมดเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องความกวาม้างความแคบลึกตื้นยาวหยามันเป็น ประเภทอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสําคัญสาคัญสำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอาญาสัตว์นั่นลงตรงนี้อีกแล้วฐานสําคัญสาคัญคืออยสัตว์ได้มาเหมือนกันหมดมันไม่ทันมันเวลามันรวดเร็วมันเป็นวิเดียรไปหมดนีะเราไม่ทันมันเลยมันต้องใช้อุบายหลายสรรหลายคมมันไม่ทำ สถานที่ที่จะดักที่จะเด็ดตั้งแต่ก่อนๆมันก็หายากไปด้วยทุกวันมันมีสถานที่เป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงสัยพราะอานั้นทธารถึงสอนเรงสถานที่เข้าเป็นความจำเป็นด้วยกันสถานที่โน่นโน่นไปอยู่ที่โน่นโน่นไปที่ไหนบ อ, อเป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้ว มันมันมีอีกที่จะช่วยอันนี้มันทำ่ำมันจะทําไม่เฉยไมนเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของพวกวิเศษทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทําเลไหนที่เราเหมาะสมต่อการบำเพ็ญนันก็เป็นที่เหมาะสมต่อพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันกอีกแหละนี่เป็นอย่างนั้นเวาไปอยู่ในในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะ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 นี่หละสถานที่ชนนี้หละมันช่วยนะแล้วใครจะไปตั้งโรงงานราคาตัญหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นนะมันจะตายอยู่ในขณะใดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลบนกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราเองนั่นแหละความเพียรมันก็มีสิอันนี้กับทางเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมดูไปดูแล้วเหมาะ มีเป็นทางจันท์มีนี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระเทนเขาก็แจกจะยิงเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่จะเข้าไปดูแล้วก็จะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อนน้อยเอสงวนไว้สําหรับคุณบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะมันมีเหลือเลยสมบัติอันล้ําค่าสถานที่อันล้ําค่าอย่างนั้นสําหรับรวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลย มีแต <Yeah. S 1> ่กิเลสเท่ากลืนหมดกลืนหมดกลืนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่แห ม, no มันน่าทุเลขนะเนี่ยสถานที่ร่ำข่าอย่างที่พูดเนี่ยดูแล้วนั่มีคุณค่าแหล่ะตัวของเราตัวของเราเมื่อไม่มีคุณค่าบาดตัวของเรามีขนาดใดที่เราว่าไม่มีคุณค่าตัวของเราขนาดนั้นกิเลสมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขนาดใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นแหะตัวกิเลสมันคุณค่างามใหญ่โตยี่หัวเราลงตรงนั้นเลย ยังต้องนะหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าคีริยูคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั่นแหละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่คือไปอยู่บางแห่งเหมือนก็อะไรเหมือนก็มันจะโผล่ขึ้นมาเสือน่ะมันทางขึ้นมาแท้ๆทางมันขึ้นมานี่เหมือนกัจมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แน่ๆ น, น, น, นี่ปรากฏว่ามันเคยนี่เราออื มาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ทั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็สลับเปลี่ยนกันเรื่อยถ่ายเทกันเรื่อยแล้วจนทางมันขึ้นลงมันจนมาทั้งเป็นเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนั่นมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวเดียวนั่นน่ะมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานเท่าไหร่ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นะมันก็เป็นไปอย่างนั้น เวลาไปอยู่นะั่นมันก็เหมาะแล้วใครจะไปสั่งสมกิเลสหรอเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็มีแต่ความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรมหมุนตี้ติ้วเข้าสู่ดสติเข้าสู่นั่นปัญญาเข้าสู่นั่นไงนก็เย็นต่อไปในขังนบุตการนั่นก็ขั้นมี แสดง ว, ว่าที่เสือกินพระก็มีในตำรับตาลามมีแมีน้อยมากนะแล้ก็อธิบายว่าไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นนั่นก็แสดงเรื่องกรรมมาอีกเสียเราก็หายสงสัยเหมือนกัว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันก็มันก็จะมา ก, กินอะไรสัดเต็มแผ่นดินอยู่นี่หนาเนี่มันทําให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสีย ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ก็ก็ตายเถอะตายก็เสือกินด้วยความเพียรนี้ให้เห็นด้วยทีในหนักชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมาอ่ามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้ล่ะเรื่องของสติปัญญาเป็นเป็นไม่ล้าสมัยหละเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิดจะดิ้นตัวเองแล้วมันเป็นไปได้นี่ย อย่างที่ว่ามันจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆหร้อมันก็เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราฝึกขดาดตัวเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่ว่าไอ้ภาวนาไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยมีแต่พุโทโธพุโทโธกับความรู้ให้ยันกันอยู่นี่นะท่านั้นเป็นกับตายเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องปยุ่งกับมัน ให้มีตั้งแต่ําบริกรรมกับความรู้เด่นอย่างนี้เท่านั้นเนี่แล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเลยเกิดความจนถึงขนาดที่ว่ากล้าหานเต็มที่ทั้งๆที่ขณะก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี่กล้าหานเต็มที่นะมันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็นลังพูดลําบากนะครู่าอาจารย์ท่านก็สอนแล้วภาวานาให้จิตรว ม, ม อ, วอย่างนั้นสิมันก็มักจบอกกลางๆไว้อย่างนี้เดียวเวลามันเป็ น, เ ป, นเป็นหนึ่งขึ้นเจ้าของมันเห็นเฉพาะนี่นะ่ะดูเฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้อนี้เนะี่ ถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนที่ติอยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแล้วแน่นี่ก็เห็นชัดๆในวงผู้ปฏิบั ต, ติเอาหาให้มันเห็นในวงของตัวเราทีา่นั่นก็คือมันเป็นขั้นเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาสิ่งภายนอก ม, มันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อืมเช่นข้าวเขาสูสสสสสสส่ขั้นที่พัฒนาเขาอย่างเคยพูดนั่นแหะแยกหมดเลยนั่นแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอาตาดูมันหมักอะไรลืมไปทิศทางไปอ่ว่าสัตว์เป็นเป็นสัตว์ลายหรือสัตว์นั้นเป็นสัตว์ลายนี่เป็นสัตว์ลายอะไร น, ะ <S <S นี่มันเลยลืมไปหมดไ้เรื่องสัตว์ลายสัตว์ดีอะไรนะมันมีแต่อันนี้จังทุกขังอาตาเต็มหัวใจอเราผู้พิจาในที่นี้เนี่ยไปอย่างนั้นอีกแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครวอีกเนี่ย มันเป็นในนี้แหละพอขนานั้นไปแล้วมันก็หมดนี่คือความว่างเปล่าเปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างมาเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาทีแป๊บเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นเป็นล่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้นี่ว่างไง ม, มันรวดเร็วของความปรุงของความและความจำนานปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสือเงี่ยนะ ปูนพขึ้นมามันก็รู้ใช่ทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ทํามันดับมันมีที่ไหนมันจะมีแิดใจกับภาพบริษัทแสดงตรูนี้มันตื่นบ้าอะไรเนี่ยว่าเจ้าของเขามันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราก่อนเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั่งขึ้นมาเหมือนกับมาจากห้าทวีปหนึ่งความจริงมันออกไปจากใจนี่ เวลามันทันมันทันอย่างนี้จรงจริงเนี่มันพังมามันออกปั๊บปั๊บปั๊ไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับมันก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ทั้งต้นทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งหลอมมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะออืเมือกถึงขั้นมันมันรู้เนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งเสียขั้นแห่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารลงสังขารตื่นสังขารตื่นภาพเจ้าของเนี่ยเมื่อมันหลัแล้วเนี้มันก็ไม่ตื่นฮมันก็ภามเหมือนแสงห้อยี่ พ็บเพบ พ, บพบมันก็ออกอย่างนี้แล้วดับไปก็เห็นอยู่นี่เน่มันเห็นช้ำตรงขนาดแล้วมันก็จะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นหึ่งขั้นอย่างนี้นะขั้นเริ่มต้นมันมันมกจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คำบริกรรมไม่ยอมให้มันออกไปไหนเลยเสือก็ตามช้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามเถึงไม่ให้เพื่อนจับคำบริกรรมนี่ แค่นพุทโธพุทโธเนี่นะไมรู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลาสั่งสมตัวเข้าสั่งสมตัวเข้าด้วยคำบรุรรคำถียิบถีไปมันเดือดเป็นพลังขึ้นมายึดค่อยแน่นเป็นแน่ น, นแน่นแน่น ป, นนน ป, นปังเลยเนี่ยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแน่แต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพนี่โอ้ยเหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึง่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะ่ะ มันเป็นพลิดมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่างั้นมันทําลายจิตของเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่นอยงเรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพอมันสั่งสมตัวของมันเต็มที่แล้วคิดไปเรื่องไหนเอาเถอะว่างั้นหลยมันไม่ได้กลัวนี่นั่นมันสั่งสมกําลังมันได้พอแล้วนี่เดี๋ยวก็ขั้นหนึ่งเนี่ยขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นบริปัสสนาละเอียดจนกระทั่งคั้นบ้างเปล่า เขามีแต่ความปรุงของจะของหลอกจะของประมาณวหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรอยอางพระแม่ขุยยันว่าหลงสังขารบ้าหลงสังขารแบบโอ้ยมันถูกเลยของคนหนึ่ง <are> ร <jogo. S 2> ู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่นี่เป็นบ้าโอ้ยมันถูกนั่นแหะมันหลงสังขารหลงสังขารบ้าหลงสังขารแบบพอถึงขั้นมันหลอกแล้ว จะหามันหลงไงมันก็มันก็จะเอาอะไรมาหลงขอรมันรอบแล้วมันรู้แล้วเอะไรมาหลงวางเมเหมือนอย่างนี้นี่หรือมันลายเหมือนเสือก็ตามแต่มันไอ้ปั้งนี่นี่มันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เนี่ยใครจะไปหลงอะไรอีกถ้ามันเห็นอย่างที่ที่ว่ามันไม่แน่เหมือนงูกปลาอย่างนั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นจะชัดโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอเนี่ย พอดูวิชอ๋อไอ้ปังไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันกไอ้ปั้งเน่เนี่ยกระบวนการภาพมันแสดงมาหลายๆอันแสดงมาเมื่อมันมันละเอียดเราอ๋อมันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูไอ้ปังเองสังขารมันปุ่งแพ้มาดับพร้อมดับพร้อพเราพูดที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกตัวเราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามเดนตัวท่านไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่สังขารเจ้าของหลอกเจ้าของที่อย่างเดียวเท่านั้นนั่น พอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างงั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกอ่ะมันช้าขนาดแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรหลอกแล้วมันก็สบายอัศจรรย์นะพอลเทศนั่นแหละนะท่านนี้รื่สึดในหนื่อยเพียร์อยู่ภายในนี่แหละฮะผู้จับยากนะมันนี่ผมปรึกษาณาแล้ววินาราแล้วจนกระทั่งค่ําถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองน่ะ ทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไ ง, งสังเกตอยู่เรื่อยจนจะวันวันมาละอันเทศนี้มันจะเป็นยังไงยังไงคิดจนกระทางค่ํำถึงเลยลงใจให้บอกพระประชุมพระวันนี้จะมีประชุมค่ําำในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงจรนะิงวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในนี้ไข่ข้อนี้มันไข่พูดง่ายๆเว้ พูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็ น, น, อ, น, ปป น, น, นอยู่จักนไม่ของน่้วมนูะ่เป็นหน้าอยู่เลยเนาะเข้าสวยไม่เอาเลยนะระยะนี้มานนะี่ไม่ไม่ไม่ได้แตกเข้าสวยเลยนะกนําหนดลองๆกาหนดดูนี่มันถอยกู่ถอยกู่เลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั้นก็ ว่าข้าสวยเราฉันมาแล้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้น่อมันทํามามันมามันจริงถอยถอยอย่างนั้นมันมันทําให้คิดก็าเโชคดีอยู่นั่นแหละฉันฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดีแต่ว่าเวลาฉันต้องไปแล้วมันมีถ่ายนะถ่ายวันละสองวันสามวันทุกวันหากไม่หากไม่เมื่อยไม่เพียผมก็เลยเอาจุดนั้นน่ะจุดไม่เมื่อยไม่เพีย แล้วพอฉันเสรจแล้วก่เอายานี่ฉันลงไปทะาลาโซลเซนเนี่ยลงไปสองเม็รแล้วก็ตอนบ่ายอยู่แหนึ่งเม็รแล้วก็พอถ้าอยู่ม า, มากๆกอย่างที่เห็นนั่นแหละีว่าง น, นั้นไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นอกจากมันจะมีโทษแฝงด้วยมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติ เข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบเนี่ยเพราะกิเลสมันแสงนั่นเองกิเลตนั่นละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ทำนะนี่อันหนึ่งอันสำคัญมันต้องบีบหัวมันเรื่อยใครไปยอว่ากิเลว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นล่ะฟังให้ดีนะให้ยังเข้าใจว่ากิเลมันดีตรงไหนนั่นละตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นนั่นละตัวมัน เขี้ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นน่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นกัรดิลึกๆอยู่ภายในนะไม่เธอจำเป็นจะต้องมาทะเลาะ้ า, างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิฏฐิมันะไม่ยอมลงใครอ่ะนี่แหละตัวสำคัญทีดูที่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนหน้าแต่แท้มกิเล่มันยังไม่ถอยนี่แล้วยกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพี พระธรรมก็ถึกกับพระวินัยทอนทะเลาะกันธรรมก็ถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่าห้าร้อยพระวินัยทอนก็มีบริษัทบริวารประมาณห้าร้อยมีเราจะไม่พูดอะไรมากเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั้นมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายถ่ายซ่วมทีนี้ ไ่ส้ส้วมมันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักพินายแล้วจะเอาน้ําเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ําเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเฉพาะ ข, ของเจ้าของแล้วถึงจะเอาน้ําไว้ก็ไม่ผิดไม่ผิดพระพินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไวปแล้วเห็นชัดเจนแล้วน ะ, นะถ้าเป็นส้วมสาธารณะกระบอกน้ําต้องเอาเทอ อ, อกให้หมดนี่ทีนี้พระ ทำรรกระถึกนี่เอาน้ําเหลือไว้สิพระธรรมมีนานไปถ่ายเราเห็นน้ําไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมก็ถึกฟังอีกอ่ะนั่นแหละที่ น, นเริ่มแล้วนั่ น, น, นเรื่องเกิดขนะึ้นอาจารย์น้องแกนเอาน้ําเหลือไว้ในีก็บอกอะไรไว้ในก็บอกเวลาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดพะวินัยวะทางนี้ก็ว่านั้นุ่งว่าที่ เอาไปเอามามันก็หนักเข้าหนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเองไม่ยอมฟังเสียงนั่นนี่แหละที่ว่ากิเลส ม, ม, มันมันมีคุณค่าทําวินัยทอก็ลูกศิษย์ตถาคตพระธรรมกัตึกก็ลูกศิษย์ตถาคตมีบริษัทบริบาลคนห้าร้อยห้าร้อยแล้วบทเวลาเอายิงมันไม่เห็นคุณค่าของสถาคตยิ่งกว่าที่เลสเลยอืมฟัดกันเสียพระพุทธเจ้าทรงชำระไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลย ไปจำมันษาอยู่ที่ป่าลยลยกับช้างนั่นเหนือพิสูจชาวโกสัมพีนี่ผู้เยะย่อขนาดถึงศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังดีนี่จะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ถ้าถ้าถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็นกิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เป็นมานั่นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเก่งขนาดไหนอืม ใครก็ว่าใครกเก่งใคราใครเก่งจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนไปหมดทั่วแดนพุทธจักรฟังสิอันนี้บอกเวลาภระไปนิมนต์พระอนุไปนิมนต์พระพุทธเจ้าสเสด็จมาแล้วทั้งนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาให้กินนี่พู ด, ดง่ายง่ายเออประชาชนได้โยมเขาไม่ใส่บาให้กินก็ชี้หน้าเลย อืมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกผ้าเหล่านี้วะชาตาิดาองค์เอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรหน้าขเขาเลบ่ลสายยิ่งกว่าทีรียดอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใสบ่บาให้กินแล้วมันเสียข้าวไปทําไมคะวะนั่นแหละที่แล้วผ้าเหล่านั้นก็ผอมโซ ล, ลงไปที่มันจะตายนะ่ะมาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวถ่ายเดีย ว, ถ, ยยวถ่ายเดียวนั่น ทั้งสฝ่ายเอามาพิจารณามันมีถึงแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่าย น, นั่นมาเทียบยอมรับแล้วจึงให้พระอานุนไปกปปรบาบทูนปูพระเจ้าพมะเสดมาตอนนั้นมีช้างอุปธรรมมัถ์พระองค์อยู่ในป่าลัยๆนี่มีอยู่งั้นนะเวลามาพวกนั้นเขาก็ชี้หน้าอีละที่นี่พระปุริเจ้าก็เวลาพระเจ้า เรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะมก็มันมันมันจะตายจริงๆแล้วมันยอมมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่จะแสดงอะไรมันก็ยอมหมดแล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่วดินแดนด้า น, นจะวางนง่หยพอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก่ก็พวกประชาชนญาติโยมก็มาขี้หน้าซิไหนพวกไหนพวกธรรมะก็ถึกไหนพวกไหนพวกวินัยทอนที่กัดกันเก่งๆ้วพูดอย่างวันนี้แตภาษาเราทำไม่ใชานี้นะ พระพุทธเจ้าท่านฟังสิฉลาดขนาดไหนอ้าวฟังสิเฮ้ยตาลูกตาขกดทั้งนั้นนี่นะตั้งแต่ลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะกันได้ทำไมาลูกตาขา ก, ก์กับมีทีเด็ทำไมทะเลาะกันไม่ได้ล่ะนี่กำลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องการไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะนัะ่นฟังสิพระพุทธเจ้ามอบเลยนั่นฟังสิฉลาดไหมศาสาวงศ์เอกอืมแต่ลูกอท่านทั้งหลายยังทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ ลูกของเราเป็นร้อยๆหมนพันก็จะไม่มีได้บ้างเหลยเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเ ป, เป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะทนะ่านเราเนี้่ยมาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อตรัสรู้ตระหักนะนะตั้งสินี่แหละในสมดัดตรามดาเห็นมีอยู่นี่พออย่างนั้นพระทธเจ้าก็แสดงทำเลยก็ก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่าไงทั้งหมดนไม่ใช่เบอร์ตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนทั่วซสียอย่างเดียว เป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสําคัญสาคัญเพียงตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกอันนี้มีตั้งแต่ไฟไปตา่างๆมันหมดตั้งแต่กินน้ามันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ําแสดงออกไม่ได้พูดง่ายว่างนี้เดอะ น, นี่เพราะพระองค์แสดงธรรมขึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเสียก็ก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ดีบ่าอยู่บ้า ถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยในภาษาบาลีท่านผมผมลืมสักเดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีมผมลืมได้แต่คาแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะได้เรายว่าจุดไหนจุ่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นน่ะคือตัวมันเร็วมันเร็วมันเร็วแน่ฟังสิท่านว่านี่ยความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนั่นะคือไม่รอบี่เลกที่เกมันเก่งกว่าเราความหมายว่า ง, งั้นนี่พอเทศจบลงแล้วก็ อพระเป็น่าทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งพระธรรมกติทั้งวิริธรนั้บรรลุธรรมโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลาเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนถึงขนาดนั้นที่นี้เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันอืแล้วก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นคติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่วนมากมันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไมเป็นนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันทันมันไม่ตามกิเลสไม่ทันนะ นั่นท่านตามกิเลสทันนั่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้านันยังไม่ยอมฟั ง, งคนทีนั่นแหละกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแล้วอย่าว่าศัสดาองค์นี้แล้ว อ, องค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันสู้อำนาจของธรรมพระพุทธเจ้ามาได้สท่นั้นเองจะให้มันลงมันหมอบล่าพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันข้อขาดไปเลยเอมันไม่หมอบข้อขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอกนี่นะ อ่มันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสเนี่ยอะไรเง้ยฟาดเิ็งพวกกิเลสคอขาดทั้งหมดล่ะซึ่งได้เป็นศาสดาศาสตราพวกเราสมวนกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะขอคอขาดไปเท่านั้นวางเลยทิ้งเออไม่ใชะอะไรนะยัน ท, ะทนทีาพระนันทงไปลงมาอู่สน้มูมงมก็มาของมันเป็นดิเป็นเขาเป็นเขาปวดทุกเรื่องท่านไปอยู่ที่ป่าลัยๆก็แหมช้างนี่ก่ อัศจรรย์ น, นะช่างอัศจรรย์สัตทำไปช่างไปอยู่ที่ป่าเลยลายช่างมาอุปถัมภะถากพระองค์โอ๊ยบอกไว้หมดนะวิธีช่างทำายังไงยังไงยังไงเนี่ยในตำรับตำราท่า น, สนแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจนี่เรื่องราวเป็นตุเป็นตากิงๆๆฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพโพดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ย เหมือนยังเอาภาพมาให้ดูดูภาพพสเป็นอย่างนี้เรื่อยอีกระหว่างพริเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไนม่ใช่ตัวเดียวเช่ดเดยนะเป็นโขงโขงมาช้างตัวนั้นอ่ะเป็นหัวหน้ามาอุมทมาัาถ์พริเจ้านั่นล่ะทีพ่พระองค์ที่ทรงจำมาสสายพระองค์เดียวก็มีภรษานั้น ท, ที่ในป่านะ ทนเอามาเขียนใน่โม้ตำหนับเวลาเพื่อให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่พวกเราเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพูดง่ายๆว่างั้นจะว่าแต่สมัยนั่นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละพูดไ ง, ไง่ายๆมันไม่อาการลิโกพังเิดทาไม่ไม่มีการมีสถานที่เวลาเวลาเมืเ่อชั้นใดกิเลสมันมก็เหมือนกันที่เนี่ยยกเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบขู่มันไว้ข้ามฟันมันหน่อยมันหวัวขาดคอขาดอยู่ตลอดเวลาถึงถึงได้กับกิเลสเนี่ย ก่อนข้อยกยอมันไม่ได้นะเส็จให้มันเลยทันดีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากสูงมันช้างลากสูงนี้เราจะไปไปพูดยกยอป่อปั้นมันเห็นอกเห็นใจไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนั่นนะมาลากสูงทั้งสูงโอ้ยดิอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างช้างตัวนั้นน่ะมันต้องขึงขังตึงตังเงียถึงได้ฮั่นนี้่มือน่าการกิเลสเราเราจะไปยกยอป่อปั้นไม่ได้นะ <fs> มันรู้หัวใจเรามันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อ่ะมันไหม้ของมันอยู่น่ะแตกตับตุบต๊บตบตุบ๊บตบดอกไฟมันกระเด็นออกปุบปักปักจากกองกองไฟไฟได้เชื้อะไปยังไงละ่ะมีกิเลสมันได้เชื้อมันก็เหมือนกั น, น, นยึดยังหัวใจเรา มันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสมันเอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสาหรับผู้ที่จะฆ่าีิเลสเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่าี่เลสคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียรจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าเราความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเอง ก็พังนี่อันนั้นพังแล้วอะไรมาดีดทีนี่พังใช่แต่กองกองไฟที่ว่านะคือกิเลสเผาหัวใจมันภไยได้เชื่อคืออะไรได้เชื้อของมันนมามันได้มาจากรูเสียงกลิ่นรถเครื่องน้ำผัดที่ไปกระทบกัได้กระทบกระ อ, อะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้ขุ่นคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมแล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรานะมองดูมันก็เห็น อ่า น, นี่เราพูดพ่อเป็นพาอเปรียบเทียบให้เขาให้มันเข้าใต้คิดติพันอยู่ในตัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดใครนอกออกเอ่มันไปเอามาจากไหนอาวุธโอ้อาหารเนี่ยเอามากินเอาเชือกไฟเนี่ยเอามาจากไห น, นเอามาจากรูปมั น, ม, นมีตาเป็นน้าขัญตาประมาทพร่อสติไม่มีน่ะหูประมาทพ่อสติไม่มีเนี่ยไล่เข้าไปไล่เข้าไปทีนี้เอาเข้มงวดขวดขันสติให้ประจําทวาร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 เราก็ตะปะผันเผามันได้ในมงคลสูตรท่านว่าอะไรบางอย่าตโปจ่าธรรมจริยาจา่านั่ น, นะตะโปคือทําเครื่องแผดเผยกิเลศด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแปลออกว่าอย่างนั้นนะเมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้หมดไปได้สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยสงบรากนั่นท่นนานว่าบ้านบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างเคยเทศในหลายการนันนะ คือมันมีแต่ขันมันดีดมันดิ่นของมันดี่างนั้น่ะไม่มีเจ้าของกิเลสมันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของอธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ไม่ยึดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช่ไปอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถืออุปทานขาคารท่านไม่มีกิเลสมันมีทันทีอุปทานอาคารปุพพิธนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดเอาเป็นเอาเป็นของมันมันมัดเลยนั่นีเวลาพังไปแล้วมันก็เห็นนึงจต่ ใช่กันไปเพียงยิบยยิบยับยับย่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวของหลายท่านเอาขันนี่แหละไปเป็นเครื่องมือทําประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนูน้นเสด็จไปนี้ทําสอนโลกสักอย่างนั้นด้วยพระสูรเสียงอะไรเหล่านี้ก็ไม่ตั้องแต่เรื่องของขันแสดงออกเท่านั้นว่าไงถ้าไม่ยึดไม่ถือเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันสงบตัวก็สงบจริงๆ เวลาขันทํางานก็เอาทําให้เห็นรู้แต่ไม่มีค่าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะเขามีอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้างหาว่าเองมันก็ในมือนี่แล้วเนี่ยในเจ้าของนี่แหละความไม่รอบคอบมันมีถึงสิบมือมันก็ไม่รู้มันเอาจนหัวขาดข้อขาดแลอกวูลูกิเลสมันเอาหัวขาดข้อขาดสติมันนีอย่างเดี๋ยวสติเดียร์สั่นปัญญาขอมันนี่แล้วเสร็จไอ้มันน่ะ ทมนี่เราก็ยังวา้าพระพุทธเจ้าใช่เครื่องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลกอยย่ได้แปดสิบปีก็ถิ่งพวกเลยภาษาวกับมันกันใช่ไปไม่ไปก็ทิ้งทิ้งทิ้งทิงไม่อัไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีมีฉาตัวพระนิบุตดับรอบพูดง่ายความหิวความปัจนาอะไรๆหมดโดยประการทั้งปวง อิจฉาอิจฉาคือความปรารถนานิจฉาคือตัวนอปฏิเสธเข้าไปห <Hey. S 1> น้อิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่หยปริบุตโตดับรอบหมดนั่นว่ายนะั่นต่างหาอันนี้เทศไม่ค่อยอะไรนะักหรอ่าไปไหไหเหมือนไม่ได้เทศพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจาโคนอะไรเลยว่าไปพระเนี่ยยัไม่ไต้ถุนหนี่นะ เวลามีแถมีคนก็ล้างส่วนล้างจานตามนั้นอย่ามาดูอยู่นี่ให้เห็นเป็นอันขดเราเคยสอนแล้วนั่นล้วจะให้พูดมากด้วยเรื่องอย่างนี้เคยพูดมาแล้วฉันเสร็จแล้วมีอะไรจะแล้วให้ไปทํางานเจ้าของเดินโยกรมนั่งส ม, ส ม, สมาธิภาวนาอย่ามาเพ่นเ พ, พ่นพันพั น, พนยุ่มยาม ย, ามาย่ามอะไรทำเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเต็มไปดูไม่ได้นะี่ามากมากอยู่ในวัดที่ไม่เยยังมามากที่เต็มอย่นี้อีก มากอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างนนมีแต่ผลลบเนี่ยว่าอะไร